คุณสมบัติของกาลยาณมิตรคนดีว่าโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรทราบดังนี้สัตบุรุษคือคนดีหรือคนที่แท้มีธรรมะของสัตบุรุษเรียกว่าสัตบุริสธรรมเจ็ดประการดังนี้ 1. ธรรมตันยุตารู้หลักแล้วรู้จักเหตุคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติรู้หลักการกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำการได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายเช่นภิกษุรู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไรมีอะไรบ้างผู้ปกครองรู้ธรรมะของผู้ปกครอง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 เช่นภิกษุรู้ว่าธรรมะที่ตนศึกษาและปฏิบัตินั้นๆมีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรตลอดจนรู้จักประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิต 3. อัตตัญุตารู้จักตนคือรู้ฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความถนัดความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้นของตนตามเป็นจริงเพื่อประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผลดีเช่นภิกษุรู้ว่าตนมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาและปฏิภาณแค่ไหน 4. มัตตัญญุตารู้จักประมาณคือรู้ความพอเหมาะพอดี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 ปริสัญญุตารู้จักชุมชนคือรู้จักถิน่นรู้จักที่ชุมชนและชุมชนรู้จักมารยาทระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อควรรู้ควรปฏิบัติต่อชุมชนนั้นๆ 7. อุคคลันยุตารู้จักบุคคลคือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล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 มีแปดข้อต่างไปอีกแนวหนึ่งดูได้ที่มัชฌิมานิกายอุปริปั น, นาาธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบทสิบเรียกว่าสับปริสธรรมก็ได้บางแห่งเรียกอเซคธรรมหรือสัมมันตาสิบว่าสับปริสธรรมบางทีเรียกผู้ประกอบด้วยมรรคมีองค์แดนั่นเองว่าสัตบุรุษ พุทธพจน์ที่เกี่ยวกับสัตว์บุรุษอสัตว์บุรุษมีมากมายเกินกว่าจะนํามาแสดงในที่นี้จึงเลือกมาพอเห็นหลักบัณฑิตคือคนฉลาดหรือคนที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้หลายแบบหลายอย่างเช่นในพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลาย คนพานมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดต่างก็ปรากฏแจ่มช้ยด้วยความประพฤติของตนผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นพาณคือด้วยกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตคือด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริต ภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเรื่องหมายของบัณฑิตแนวความประพฤติของบัณฑิตมีสามประการดังนี้กลาวคือบัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดีมีปกติพูดถ้อยคำดีมีปกติทำการดีภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมคือธรรมะสามประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิตกล่าวคือตั้งปัญหาโดยแยบคายแก้ปัญหาโดยแยบคายและเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยบคายด้วยถ้อยคำกลมกล่อมสละสลวยได้เหตุดได้ผลก็อนุโมทนาภิกษุทั้งหลายคนผ่านมีสองดังนี้คือผู้แบกภาระที่ไม่มาถึงหนึ่ง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 จึงมีแต่พอกพูนสัตว์บุุษทั้งหลายไม่ไปติดทุกสถานสัตว์บุุษไม่ปราศัยเพราะอยากได้การบัณฑิตถูกสุขหรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้าย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงบัณฑิตไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น ไม่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์รัฐความสาเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาประกอบด้วยธรรมผู้ใดเขาสักการะก็ตามไม่สักการะก็ตามย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นซึ่งมีปกติเพ่งพินิษทําความเพียนตลอดเวลา เห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุ ข, ขุมยินดีในความสิ้นอุปาทานท่านเรียกว่าสัตว์บุรุษคนไขน้ำย่อมไข่น้ำไปช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน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 คนมีสุดตะน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาหาเจริญไม่คนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมงอกก็หาไม่ถึงวัยของเขาจะงอมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะมีอหิงสามีความบังคับควบคุมตน มีความฝึกตนผู้นั้นแลเป็นปราดสลัดมนทินได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่พ่วงน้ำน้อยไหลดังสนัน่นพ่วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบ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 สัตว์บุรุษไม่มีในชุมงุมใดชุมงุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาผู้ใดไม่พูดเป็นธรรมผู้นั้นไม่ใช่สัตว์บุรุษละราคะโทสะโมหะแล้วพูดเป็นธรรมจึงจะเป็นสัตว์บุรุษผู้ใดเป็นทีระชนเป็นคนกตัญยูกะตะเวทีคบหากัลยานามิตร มีความพักดีมั่นกระทำกิจเพื่อผู้ตกทุกข์ด้วยตั้งใจจริงคนอย่างนั้นท่านเรียกว่าสัตว์บุรุษภิกษุทั้งหลายมีฐานะอยู่สี่ประการดังนี้กล่าวคือหนึ่งฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้า ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ก็มี2ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้ายอมเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มี3ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้ายอมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ก็มีสฐานะ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 ก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้ายอมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในฐานะนี้พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบักบันของคนกล่าวคือคนพาลยยอมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริง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 เขาจริงกระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเขายอมเป็นไปเพื่อมีใช้ประโยชน์แม้ในฐานะนี้ก็พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบักบันของคนกล่าวคือคนพานยยอมไม่พิจารณาเห็นว่า ฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่เมื่อทำเข้าจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ดังนั้นเขาก็กระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะที่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้า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 และควรกระทำด้วยเมื่อกระทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์คนที่เรียกว่าเป็นปราชเป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมายซึ่งหมายถึงทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ ผู้ใดเจริญด้วยสตาศีลสุตตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นเป็นสัตบุรุษมีวิจารณญาณยอมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังอ น, นิสงสีประการได้ล่าวคือจะเจริญด้วยศีลอย่างอริยะ จะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะจะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะจะเจริญด้วยวิมุตติอย่างอริยะดูก่อนภิกษุบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในโลกนี้ยอมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนยอมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นยอมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย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 เกิดมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากคือย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มันดาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่คนรับใช้กรรมกรและคนงานแก่หมูมิตรและเพื่อนร่วม ง, งานแก่บรรพชนผู้ล่วงลับแก่พระราชาแก่เหล่าเทวดาแก่สมณะชีพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆช่วยให้เขากล้าเจริญงอกงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากคนดีมีปัญญาที่เรียกว่าบัณฑิตหรือสัตบุรุษนี้เมื่อใครไปเสวนาคบหาหรือเมื่อเขาเองทำหน้าที่เผยพระความรู้หรือความดีงามแก่ผู้อื่นชักจูงให้ผู้อื่นมีความรู้ความเห็นถูกต้องหรือให้มีศรัทธา ที่จะถือตามอย่างตนอย่างใดอย่างหนึ่งจะโดยการสั่งสอนการแนะนาหรือกระจายความรู้ความเข้าใจนั้นออกไปทางหนึ่งทางใดก็ตามด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตากรุณาก่อให้เกิดสัมมาธิฐิและการประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้นก็เรียกว่าเป็นกันลยานามิตรกัลยานามิตร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 ได้แก่การเสวนาสังเสวนาคบหาพักดีมีจิตปักใยโน้มไปหาบุคคลที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะคือเป็นพระหูสูตรมีจาคะและมีปัญญาในบรรดาคุณธรรมห้าอย่างนี้บางแห่งท่านแสดงไว้เพียงสีอย่างเว้นสุตตะแสดงว่าสุตตะ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 ส่วนการยานามิตรในแง่ทำหน้าที่ต่อผู้อื่นสมควรมีคุณสมบัติพิเศษจำเพาะสำหรับการทาหน้าที่นั้นอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกว่ากาลยานามิตรธรเจ็ประการดังนี้ 1. ปิโยน่ารักคือเข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง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 รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไรขอให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีหาวาวจะนะขมโมทนต่อถ้อยคำคือพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามแม้จุกจิกตลอดจนคำล่วงเกินและคำตักเตือนวิพากวิจารต่างต่างอดทนฟังได้ไม่เบื่อหน่าย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 ไม่ชักนำในอาถานคือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควรสำหรับข้อที่หวัจนนัโมทนต่อถ้อยคำคุณสมบัติข้อวัจนนัโมนี้ในบาลีท่านหมายถึงคนที่อดทนต่อคำพูดของผู้อื่น คือรับฟังคำตํหนิวิพากวิจาร์ได้และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนในบาลียกย่องพระสาวรีบุตรเป็นตัวอย่างของผู้มีคุณสมบัติข้อนี้และพระอัฏฐกะถาจารย์ยกเรื่องมาเล่าไว้ว่าบางคนให้โอวาาแก่คนอื่นได้แต่พอถูกเขาว่ากล่าวเอาบ้างก็โกรธแต่พระสาวรีบุตรนั้นท่านทั้งให้อวาาแก่ผู้อื่น และเมื่อตอนเองถูกว่ากล่าวก็รับด้วยเสียนกล้าวมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งสามเณรอายุเจ็ดขวบบอกกับพระสาวรีบุตรว่าท่านนุงสบงปล่อยชายหย่อนยานไปท่านก็รับฟังด้วยดีและเป็นนุ่งใหม่ให้เรียบร้อยอัธกถาแสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเรียกว่ากัลยาณมิตรลักษณะว่าอีกแปดประการ คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะวิริยะสติสมาธิและปัญญา